ใจนะศึกษาและปฏิบัติฟังในสิ่งที่เราทำและทำในสิ่งที่เราฟังอาการที่เราได้มาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยถือว่าเป็นโชคของชีวิตนะเพราะอะไรเพราะว่าน้อยคนที่จะมาศึกษ า, าเรื่องนี้ได้อย่าง ต่อเนื่องหลายคนก็บอกว่าอยากจะทำอยากจะศึกษาแต่ก็ไม่มีเวลาบางคนมาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ามาแต่ไกลทั้งนี้เพราะว่าการที่เราจะมาทนกระแสะใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตเพราะชีวิตของเราเนี่ยตามไหลาตามกระแสะมาทุกภพทุกชาติ นะหลายตามกระแสมากระแสของความโลภ ก, กระแสของความโกรธกระแสของความหลงท่วมทับเรามาทุกภบทุกชาติจนมาถึงชาตินี้จนมาถึงวันนี้แหละเราถึงคิดที่จะมาทวนกระแสบ้างเผื่อว่ามันทวนไหวนะอเพราะว่าเราได้เห็นนักอตัวอย่างจากนักปราชญ์ศาสดาทั้งหลายที่ท่านทวนกระแสแล้วอยู่เหนือ กระแสเพราะได้เรือและได้แพการที่จะทนกระแสได้ลงไปในกระแสนั้นเราก็มีอันตรายแต่ถ้าเราอยู่ในเรือในแพแล้วทนกระแสโอกาสจะรอดก็มีอย่างแต่เราอาศัยไม้พายและเครื่องเรือที่มีกาลังก็สามารถทนกระแสได้สบายเพราะนั้นการที่เราจะไปลงไปทนกระแสได้ตัวเองในน้าเนี่ยมันเป็นเรื่อง เหลือวิสัยที่จะจะทนมันได้ให้มืกระแสมันแรงดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็จึงสแสวงหาเรือหรือแพมาเป็นเครื่องช่วยในการที่จะทวนกระแสและข้ามกระแสนั้นให้ได้เราทั้งหลายก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันเรากําลังมาสแสวงหาเรือหรื อ, อแพที่จะมาและ อ่าทวนกระแสกระแสที่ไหลวนเวียนอยู่ในใจของเรานี่แหละตลอดเวลากระแสของอารมณ์อารมณ์อยากคือความโลภอารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธและอารมณ์ที่เพลิดเพลินคือความหลงวนอยู่ในใจเรานี่ตลอดเวลาแต่เราก็เคยตกอยู่ในกระแสนี้มาโดยตลอดแล้วเราก็สำลักความทุกมาโดยตลอด แล้นั้นเองอด้วยเหตุนี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตของเรามันไม่น่าจะทุกข์ขนาดนี้นเราก็เลยมาศึกษาที่จะ อ, ะอยู่เหนือกระแสหรืออย่างน้อยก็ทนกระแสได้บ้างโดยการออกมาหาเรือหาแพนั่นตามที่หลวงพ่อเทียนท่านได้กล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนภาย นั่นเราเป็นนายอจิตเนี่ยเป็นนายอยู่อ่าคัดบังคับเรือนะี่กายของเราเนี่ยเป็นเรือเราจะบังคับให้ได้ตามต้องการไหมบังคับเรือนี้มาให้มันไปชนอาบายมุกได้ไหมบังคับเรือนี้มาให้ไปชนเหล่าได้ไหมบังคับเรือลำนี้มาให้ไปชนยาได้ไหม บังคับเรือนี่ไม่ให้ไปผิดศีลผิดธรรมได้ไหมเนี่ยนี่จิตเป็นนายแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็บังคับมันไม่ได้ไปตกในน้าโขงบ้างไปตกไฟตลกบุหรีบ้างไปตกไฟการพนันบ้างบังคับไม่ได้ดันั้นเราก็เลยมาคิดทวนกระแสวันนี้ก็จิตเป็นนายกายเป็นเรือบางทีเรือเราก็รั่วนะรั่วแล้วไม่ยอมอุดนะรั่วก็ปล่อยให้รั่วไปเรือ่อย จนกระทั่งน้ำมันเต็มเรือแล้วก็จมไปกลายเป็นเรือสติเป็นหางเสือนั่นหมายความว่าเราจะบังคับเรือให้ไปตามทิศทางได้ต้องมีหางเสือถ้าไม่มีหางเสือในบังคับทิศทางไม่ได้และปัญญาเป็นไม้พายปัญญาเป็นคนพายก็คือเราใช้ปัญญาเนี่ยและตัวปัญญานี่ก็จะเกิดด้วยการใช้การกระทานะต้องมีการคัด ้ะมีการกระทำเกิดขึ้นดังนั้นเราทั้งหลายนี่เรามาทำหน้าที่อันนี้นะฮะที่เราจะโวนกระแสและข้ามห่วงน้ำอย่างน้อยถึงข้ามไม่ได้เราอยู่เหนือกระแสมันว้างแต่บางครั้งบางข่าวก็ยังดนะีนี่การที่จะถอจะพายเนี่ยเราก็จะต้องมีความตั้งใจเรื่องมีศรัทธามีศรัทธาที่อยากจะ อยู่เหนือน้ำบ้างมีสถานนี่าการที่จะข้ามฝั่งบ้างเพราะว่าอะไรเพราะเราได้ตกจมแล้วจมอีกอยู่ในกระแสโลภกระแสโกรธกระแสหลงมานานมันเป็นทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์ดหูท้อถอยเบื่อหน่ายสิ่นไม่ช่ำชื่นในแต่ละวัน อ่าดังนั้นเองเราจะปล่อยให้ชีวิตตกจมอยู่กับกระแสะเหล่านั้นไปชั่วนาตาปีมันก็ไม่ไหวชีวิตนี้ก็ไร้ความหมายอยู่ไปก็ไม่มีความหมายอดังนั้นเองเราก็คนที่จะมีความกล้าหาญในการที่จะต่อสู้กระแสะอันนี้ด้วยการตั้งใจทํานะตั้งใจถอตั้งใจพายพายเรือ ข้างเดียวมันก็ช้ามันก็จะต้องมีสองพายงมือทั้งเท้าพายกันทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนกันบ้างนะบางคนก็เหมือนภายเรือในอ่างวนไปวนมานะี่หมายความว่าไม่ไปไหนมาไหนมันอกันล่ะวนไปวนมาอยู่แต่บางคนก็พายไปได้เรื่อยๆนะี่หมายความวก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะรู้จับกายนะเป็นอย่างดี ก็ากายลุกก็รู้กายนั่งก็รู้กายยืนก็รู้กายเดินก็รู้ยืนเดินนั่งนอนรู้ขู้เหยียดเคลื่อนไหวรู้ขมเงยรู้เหลียวซ้ายหลยขวารู้รู้ตลอดนี่คือมายความเรือเราเดินไปข้างหน้าแล้วนะแต่ถ้าหากว่าพายแล้วก็ไม่รู้คิดวนไปเวียนมาทําไปคิดไปเขียมไปนึกไปทําไปฝันไปทําไปเบื่อไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพายเรือในอ่างมันไม่ไปไหนอ่วนอยู่ตรงนั้นแหละ เรือใครบังวนอยู่ในอ่างวนอยู่ในวังวันนี้แต่บางคนตั้งใจเรียบเรียงความรู้สึกเป็นอย่างดีเรียบเรียงการลุกกันนั่งกันยืนการเดินการเดี๋ยวใช้แรงขวาหยิบหยับจับช่วยกุ้มเงยกําหนดได้ตาหลอดนี่เขาเรียก ว, ว่าเรือพายไปข้างหน้าแล้วทวนกระแสได้แล้วไม่ปล่อยให้จิตมันพาไปะไม่ปล่อยให้พาจิตมันลักไป ไม่ปลอย ก, กิเสมันนาไปทางอื่นแต่เรานํามันมาทางนี้นํามาอยู่กับกายอยู่กับใจนี้นําจิตนําใจกลับมานี่เรียกว่าทวนกระแสแต่การที่เราคิดออกไปเรื่องต่างๆนั่นเรียกว่าตามกระแสการเราคิดกลับมาอยู่ปัจจุบันนีน้เรียกว่าทวนกระแสซึ่งถ้าหากว่าคนไหนทวนเป็นก็จะสนุกสนานเหมือนเขาเล่นเรือใบเขาเล่นเซิร์ฟ เล่นสกีนมันทวนมันก็ถ้าเล่นเป็นก็สนุกสนานเล่นไว้เป็นก็อันตรายดังนั้นเราลองสำรวจดูว่าวันนี้ที่เราไหวแหวกว่ายอยู่ในความคิดเนี่ยเราได้ทวนกระแสบ้างไหมมันพัดพาเราไปไหนบ้างพัดพาเราไปบ้านพัดพาเราไปที่ทำงานพัดพาไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราได้กู้มันขึ้นมาทันไหม ถ้ากู้ไม่ทันเรือเราก็จมอยู่ในนู่นแหละในวังในหาดดังนั้นเวลามันไปแล้วลองกู้คืนมาให้ทันอย่าให้มันตกมันจมอยู่ในความคิดนะกู้ด้วยการกระตุ้นตัวสติให้แรงกระตุ้นสมาธิให้แรงให้มองเห็นนะมองเห็นกายเคลื่อนไหวตรงนี้และมองเห็นใจกําลังนึกคิดดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดนะ อันนี้คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระบรมศาสดาพาเราทำมาสองพันกว่าปีแล้วและพระหันเจ้าทั้งหลายก็ก็ทํากันมาอย่างนี้แหละดังนั้นเวลาเราทําเนี่ยก็ต้องมีความตั้งใจนะทุกคนมีความตั้งใจส่วนมีความตั้งใจแล้วใครจะก้าวไปข้างหน้าใครจะถอยหลังใครจะเวียนวนอยู่กับที่นี่ก็รู้ตัวใครตัวมัน นะรู้ตัวขอตรมันถ้าคนที่ก้าวหน้าก็จะรู้สึกช่ำชื่นเบิกบานมีความหนักแน่นมั่นคงในการที่จะรู้เห็นผลของการปฏิบัติคนไหนที่ยังถอยหลังก็รู้สึกท้อรู้สึกเบือ่อรู้สึกนายรู้สึกขี้เกียจ ร, รู้สึกไม่สนุกมีเขาเรียกว่าเรือมันถอยนะมีบ้างหรือเปล่าบางคนก็วนไปเวียนมานะ อยากบ้างเบื่อบ้างนึกอยากก็ทํานึกเบื่อก็เลิกกลับไปกลับมาวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเรือมันวนนะวนไปวนมาไม่ไปไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปอ่าเหมือนเรือมันขาดทางเสือไม่มีทิศทางแน่นอนเราเป็นเรือลําไหนสํารวจดูนะดังนั้นเองการปฏิบัติก็เหมือนกันมันเป็นนามธรรม เราได้สำรวจตรวจสอบเรือเราไหมว่ามันรั่วตรงไหนเรือลานี้มีรูรั่วอยู่หกทางทางตาพอไปเห็นอะไรมันชอบหรือไม่ชอบมันคิดหรือไม่คิดอ่ารั่วทางหูถ้ามันไม่คิดไม่นึกอะไรตามที่ได้ยินก็เรื่องมันไม่รั่วถ้าได้ยินแล้วนึกคิดปรุงแต่งออกไปตามที่เรื่องได้ยินมันรั่วไปทางหูน้าก็เข้า คืออารมณ์ความคิดมันเข้าความคิดคืออารมณ์ความคิดคือน้ําดังนั้นพุทธเจ้าท่านจัดว่าสินจิวิกุอิมังนาวังสิตาเตระหูมเมสติราคันจะโทสันจะตัะโตนิพานาเมหิสิพะพุทธเจ้าท่านจัดไว้อย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงวิทน้ําออกจากเรือนี้เรืออันเธอวิทแล้วจากเบา คือสามารถข้ามกระแสแห่งราคะและโทสะได้จากนั้นเรือของเธอก็จะมุ่งสู่พระนิพพานนิพพานส น, านสเมนิพพานสะสเมพันเตนิพพานะเมหิสิกนะคาถานี้เพราะมากนะสินจิพิกขุอิมังนาวังสิ ต, ตาเตระหุมเมตติราคันจะโทสันจะตัตนิพพานเมหิสิก เราจงวิทย์ความคิดออกจากใจนี้เราจงสลัดความคิดถ้าว่าตามภาษาใจนะเราจงสลัดความคิดออกจากใจนี้ใจอันเธอตัดความคิดได้แล้วใจนี้จักเบาจากนั้นใจของเราก็จะล่นสู่นิพพานใจนี้จักเบาข้ามกระแสแห่งความคิด ที่เป็นราคะโทสะเสียได้จากนั้นคิดนี้ก็จะมุ่งสุนิพนันธนี่เป็นภาษาตรงๆแปลมาอย่างนี้เราเราได้วิทยออกความคิดจากจิตจากใจบ้างไหมในวันนี้ความคิดที่มันหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยได้สลัดมันทิ้งบ้างไหมอ่านล้วนแต่คำสอนของพระเล้วนแต่ภัยร้อเพราะพระพิ้งแล้วก็มองเห็นภาพไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนอะไรได้เลย มองเห็นภาพเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในจิตใจเราไม่ได้เอามานำมากล่าวโดยที่กบกลืนลื่นลอยอะไรแต่เป็นของที่มีจริงดังนั้นก็เหลืออยู่ที่ว่าเราจะเป็นคนจริงต่อการกระทำจริงต่อการปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่ใช่คนจริงจังก็จะต้อง ประสบทุกอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆชาติแล้วชาติเราปีแล้วปีเราอยู่อย่างเนี้ยแต่ถ้าเราเป็นคนจริงจัง่อชีวิตจริงจังที่จะศึกษาเรื่องนี้ความทุกข์ของเราจะน้อยลงกระแสแห่งวัะสงสารของเราจะสั้นลงมันจะไม่เชี่ยวกรากเหมือนที่แล้วมาดัางนั้นในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมี มักผลเป็นแก่นสารพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าดูก่อนอา น, นุนเราจะทำกับเธอเหมือนนายช่างหม้อทำกับหม้อคือท่านจะขนาบแล้วขนาบอีกตีแล้วตีอีกเพื่อให้ได้รูปของหม้อที่สวยงามชั้นใดนะเราก็จะขนาบแล้วขนาบอีกผู้ปฏิบัติ ผู้ที่มีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เห็นไหมถ้าเรามีมรรคมีผลแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทนได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งนั้นจะเป็นคําด่าคําว่าคําสอนอะไรต่างๆทนได้ดังนั้นเราทั้งหลายเราต้องมีมรรคผลเป็นแก่นสารคือหมายความมุ่งมรรคมุ่งผลเป็นหลักในชีวิตนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่ามรรคผลนั้นมันจะ มีแก่นมีสารก็ตรงที่เราจะต้องมีปัญญาพิจารณาไม่ใช่เอาความคิดมาพิจารณาเอาปัญญาแล้วมาพิจารณาที่ปัญญากับความคิดที่ต่างกันอย่างไรนี่ซึ่งได้กล่าวไปเมื่อวานละเมื่อเช้าแล้วว่าความคิดนั้นเป็นเพียงวัตถุ ด, ดิบแต่ตัวปัญญานั้นคือตัวที่ถูกแปลรูปมาแล้วด้วยอาศัยโยนิโสมนสิการอาศัยความเพียรถ้าเราไม่ใช้โยนิโสมา ไ, ได้ใช้ความเพียร ความคิดก็เป็นวัตถุดิบที่เรายังใช้ไม่ได้นะความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบนะเราจะต้องแปลมันให้เป็นวัตถุสุกให้ได้อ่าทีนี้วิธีแปลสภาพหรือวิธีเปลี่ยนสภาพความคิดให้เป็นปัญญาหรือเป็นความรู้เนี่ยทำไงต้องผ่านความรู้สิบตัวต้องผ่านความรู้สิบตัวเหมือนกับน้า ที่มันส ก, กปรกได้ผ่านเครื่องกรองออกมาเป็นน้ําบริสุทธิ์ยิ่งผ่านเครื่องกรองหลายชั้นมากเท่าไหร่น้ํำยิ่งบริสุทธิ์มากเท่านั้นความคิดและอารมณ์ต่างๆเหมือนน้ําดิบน้ําที่สกปรกแต่เรามีโยนิโสมนัิการคือความแยบขายเป็นเครื่องกรองมีสติสมาธิเป็นเครื่องกรองหลายชั้นเพราะฉะนั้นความคิดและอารมณ์ที่ผ่านเข้าไปแล้ว มันออกผ่านออกมาอีกทีนั้นมันเป็นปัญญาเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เหมือนน้ําที่ผ่านเครื่องกรองอย่างดีมีประสิทธิภาพเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ดังนั้นเองเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยเราไม่ได้ห้ามเราไม่ได้เก็บกดเราไม่ได้กลัวและเราไม่ได้หนีแต่เราจะใช้เครื่องกรองของเรา คือตัวสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญากรองเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นจนผ่านออกมาเป็นญาณเป็นความรู้และญาณและความรู้อันนี้จะเป็นตัวเข้าไปชาระจิตของเราให้สะอาดอจิตของเราเมื่อถูกชําระแล้วจิตนั้นก็จะบริสุทธิ์สะอาดเป็นจิตที่โปร่งเบาเรืออันเธอวิตแล้วจากเบาคืออย่างนี้เอง นะนั้นเราทั้งหลายอย่ากลัวต่อความเพียร น, นะอย่ากลัวต่อความการขัดเกลวการฝึกหัดขัดเกลวตนเองยินดีพอใจในการที่จะฝึกฝนตนเองยินดีพอใจที่จะขัดเกลวตนเองเราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสนะริฐนะทพระองค์ท่านตรัสว่าท่านโตเศธโหมนุษย์เศษสุนะ ในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายในหมู่คนทั้งหลายนี่ผู้ยินดีในการฝึกฝนผู้นั้นเป็นคนประเสริฐผู้ยินดีในการฝึกฝนผู้นั้นเป็นคนประเสริฐผู้ที่ไม่ยินดีในการฝึกฝนผู้นั้นเป็นคนไม่ประเสริฐนั่นเองระเบียบวินัยใดๆคําสอนใดๆที่เป็นไปเพื่อขัดเกาวาเป็นไปเพื่อ บรรเทาควองทุกแกลกิเลสเราก็ยินดีพอใจที่จะฝึกฝนนะการฝึกฝนปฏิบัติแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราบริสุทธิ์เขาเรียกวพรหมจรรย์เพราะนั้นพรหมจรรย์นมีสองชั้นชั้นแรกนี่เขาเรียกอาธิพรหมจรรย์ก็ได้แก่แล้วเบียบกฎเกณฑ์วิใน ศีลอะไรต่างๆที่ท่านบัญญัติเอาไว้เขาเรียกว่าอาธิพรหมจันทร์ที่เราจะต้องอเอื้อเฟื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บทใหม่เนี่ยจะต้องเอื้อเฟื้อต่ออาธิพรหมจันทร์คือระเบียบแบบแผนศีลวินัยเพื่ออะไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสขั้นหยาบเกิดขึ้นนะกิเลสหยาบหยาพี่เคยโลภเคยโกรธเคยหลงเคยเห็นแก่ตัวเคยทําอะไร แบบชาวบ้านเนี่ยออกไปกิเลส ช, ชัญญน้นหยาบมีป้องกันด้วยอาธิพรหมจรันทีนี้กิเลสขั้นละเอียดนั้นป้องกันด้วยตัวพรหมจรันเรียกว่าตัวปรมาถพรหมจรันอันได้แก่การขัดเกลวการฝึกฝนการอบรมจิตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งนี่ตัวเป็นตัวพรหมจรันคือตัวสะอาดตัวบริสุทธิ์เราก็ต้อง อดทนนะหลายๆอย่างที่เราต่างไปจากชาวบ้านนะต้องทนอดทนร้อนทนหนาวทนไม่สะดวกไม่สบายอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องฝึกฝนไปดังนั้นญาโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการที่เราจะพบกับความปลอดโปร่องอิสระภาพได้นั้นเราก็จะต้องมีการปลดเปลื้องภาระต่างๆ ออกจากตัวไปเรื่อยๆมันจะได้เบาเหมือนนกกาในอากาศเนี่ยถ้ามันไปเกาะต้นผลไม้ต้นไหนที่มันมีผลไม้เยอะถ้านกกาตัวไหนมันมีความโลภหอบอุ้มเอาผลไม้นั้นติดตัวไปมากมายมันจะบินไม่ขึ้นมันจะเป็นมันจะหมดอิสระแต่มันเพียงแต่อาศัยกินอิ่มแล้วมันก็ไป โดยไม่เหลยวแหล่ผลไม้อันสุกงามมากมายนั่นเองฉันใดก็ดีเรามาสู่โลกนี้ยแม้ว่าในโลกนี้จะมีทรัพย์สมบัติมีสิ่งที่ล่อตาล่อใจมากมายแต่เราก็ไม่ได้โลภเก็บเอาไว้เป็นของตนเองมั่นมากมายจนติดยิดแต่เราเพียงอาศัยเป็นเครื่องพึ่งพาอาศัยพอผ่านไปพอได้มีชีวิต มีจิตใจที่จะเข้ามาสแสวงหาอิสระภาพไดเ้เมื่อเราได้อิสระภาพแล้วเนี่ยเราสามารถจะบินไปต้นไม้ต้นไหนก็ได้ที่มีดอกมีผลที่กินได้ไปได้ทุกที่แต่ถ้าหากว่าเราจมอยู่กับต้นไม้ต้นเดียวคือชีวิตรูปแบบเดียวคือชีวิตครวาดเราไม่สแสวงหาชีวิตนักปฏิบัติบ้างไม่สแสวงหาชีวิตนักบวชบ้างเราก็าจะอยู่จมอยู่ต้นไม้ต้นเดียวนะ เราก็จะไม่มีอิสระภาพที่จะไปที่ไหนดังนั้นพระลักบบดของเราจึงมีสั ญ, ญลักษณ์ของอิสระภาพคือมีบาทและชีวรและบริขารที่จําเป็นเนี่ยนี่เขาเรียกสั ญ, ญลักษณ์แห่งอิสรภาพไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกรัดไม่มีอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดที่ว่าเป็นห่วงปูกคอปอปผูกศอกปอกใส่เท้าเนี่ยไม่มีนะ ก็จะมีผ้าจีวรสามผืนมีอัฐะบริขารที่จําเป็นแล้วก็จะลิกไปได้ทุกแห่งอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ของอิสระภาพท่า น, นั้นเองอิสระภาพนี้เราต่างคนต่างไปหาแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะรับเครื่องแบบอิสระภาพก็เครื่องแบบของนักบวชนี่แหละแต่การที่เราเข้ามาสแสวงหานี่แล้วลว่ามาเข้ามาสู่เส้นทางอิสระภาพแล้วนะ มาสู่เส้นทางอิสรภาพแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเดินต่อไปถึงแม้เราจะออกไปกลับไปบ้านไปสู่ดวงรังก็ตามแต่อิสรภาพภายในทุกคนมีสิทธิที่ได้เสมอกันคืออิสรภาพจากความคิดและอารมณ์เขาว่าเราแทนที่เราจะโกรธเราไม่โกรธก็ได้จิตเราเป็นอิสระจากความโกรธนะเขาประมาทเรา เราไม่เสียใจก็ได้เพราะจิตของเราเป็นอิสระจากาการยึดในสิ่งที่เขาว่าเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิแต่ถ้าหากว่าจิตของเรายังไม่มีอิสระจากการกระทบแล้วเนี่ยจิตของเราก็ยังไปผูกมัดในสิ่งที่มากระทบอยู่ก็ธรรมดาเราต้องสูญเสียอิรภาพทางนั้นด้วยทางกายก็ไม่มีอิรภาพต้องขึ้นอยู่กับสังคมทางจิตก็ยัง ไม่มีอิสรภาพอีกต้องไปขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนอื่นที่เขากระทบมาหมดอิสรภาพทั้งสองอย่างแล้วชีวิตจะมีความหมายอะไรดังนั้นเองเมื่อเราหมดอิสรภาพทางกายแล้วเราต้องแสวงหาอิริภาพทางจิตให้ได้นั้นคือจิตของเราต้องไม่ไปปลุกพันยึดถือกับสิ่งที่มากระทบก็ได้การฝึกฝนนี่แหละถ้าเรนท่านฝึกฝนอยู่ทุกวันแม้เราจะ <c oughs> กลับไปสู่บ้านชูลเลือนแล้วก็ตามเราก็ยังมันฝึกฝนตนเองไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่ออิสรภาพของเราเองอวันหนึ่งถ้าหากาเรามีความเข้มแข็งเพียงพอเราก็สามารถที่จะบินจากต้นไม้ต้นนั้นไปสู่ต้นไม้ต้นอื่นได้แต่ทุกวันนี้เราหูญเสียอิสรภาพปีข้างหนึ่งเราเสียไปเราเหลือปีข้างเดียว ปีข้างหนึ่งคืออิสระภาพทางกายนั้นเราได้เสียไปแล้วเราก็ยังเหลือปีอีกข้างหนึ่งทางจิตของเราเพราะนั้นทางจิตของเราจะต้องระมัดระวังจะไม่ให้อะไรมาผูกมัดร้อยลัดปิดอีกปีกหนึ่งเอาไว้เพราะเรารักษาปีที่เป็นอิสระภาพนี้ไว้แล้ววันหนึ่งแล้วค่อยบำรุงปีอีกด้านหนึ่งให้เข้มแข็งขึ้นมาเราสามารถที่จะบินไปได้ แต่ถ้าปีกหักทั้งสองข้างแล้วเราก็จะต้องจมอยู่ต้นไม้ต้นเดียวไปจนตายนั่นหมายความว่าเราหมดอิสรภาพทางด้านร่งกายและจิตใจเพราะเราไม่แสวงหาเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ผูกมัดรัดดึงเราเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไปนะดังนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วก็มาพบกริยานมิตรที่หวังดีต่อกัน เราเ้าก็บอกทางให้กันในการแสวงหาอิสรภาพดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะท้อถอยในการที่จะต่อสู้เพื่อได้อิสรภาพกลับคืนมาเพราะเราได้สูญเสียไปทางกายของเราไปขึ้นต่อเครื่องผูกมัดร้อยลัดต่างๆนานๆเครื่องผูกมัดของสามีเครื่องผูกมัดของภรรยาเครื่องผูกมัดของลูกเครื่องผูกมัด ข, ของหลานของทรัพย์สมบัติของญาติพี่น้องจนปีก แทบจะเป็นง่อยไปเลยปีกในส่วนนั้นดิ้นไปไหนก็ไม่ได้จะลามาปฏิบัติสามวันห้าวันก็ทั้งยากเพราะอิสรภาพตรงนั้นไม่เอือ้อแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้จิตใจของเราต้องผูกมัดด้วยเครื่องพัฒนาการภายในคืออวิชชาตัญหาอวต า, านเราพยายามปลดเปลื้องให้ได้ก็โดยการเจริญสติสมาธิปัญญาให้เป็นนิสัยให้ได้ แล้สักวันหนึ่งปีอีกข้างหนึ่งมันก็อาจจะเป็นอิสระภาพได้เราก็สามารถที่จะบินได้นะอย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่ามันจะช้าหน่อยก็ยังดีที่เรามีความพยายามอยู่แต่ถ้าเราไม่พยายามเลยปล่อยให้เขามัดทั้งสองข้างทั้งสองปีก็เรียบร้อยนะเราไปไหนไม่ได้ละนะเขาก็จะปลูกมัดลับใช้อยู่มีนิทานเรื่องสั้นๆเราให้ฟังเรื่องหนึ่ง มีครอบครั ว, วนหนึ่งรักกันมากระหว่างพ่อแม่ลูกดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีรักกันมากวันหนึ่งมีเหตุที่พ่อต้องเกิดอุบัติเหตุตายไปนะเกิดอุบัติเหตุตายไปก็ด้วยกิตที่เป็นห่วงรักผูกพันกับครอบครั ว, วนะด้วยความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพยาหงทอง ก็นึกถึงลูกถึงเมียว่าไม่มีผู้ดูแลเรื่องดูก็เลยบินกลับมายัางบ้านตัวเองแต่ละวันแต่ละครั้งบินมาก็จะมาสลัดขนของตัวเองให้หนึ่งขนทุกครั้งกะว่าเมื่อไรครอบครัวร่อยหลอก็จะบินกลับมาสลัดขนทองคาให้ขนหนึ่งแล้วก็ไปต่างอิสระของตัวเอง แล้วก็ค่อยสังเกตอยู่เสมอขนทองคํานั้นถูกนําไปขายใช้จนหมดเงินทองแล้วก็บินมาอีกครั้งหนึ่งก็สลัดให้อีกขนหนึ่งทั้งแม่และลูกก็ได้รับความสะดวกสบายความสะดวกสบายนี่เองทําให้เขาประมาทเขาก็เกิดความคิดว่าอ่าถ้าวันหนึ่งพญาหงทองตัวนี้ไม่มาละ่ะเราไม่จนกันแย่หรือเราจะเอาอะไรมากินถ้าเกิดเขาไม่มา เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเราควรที่จะจับเขาไว้อถอนขนให้หมดแล้วก็ขังไว้เพื่อว่าเขาจะได้ไม่หนีไปด้วยความโลภ ก, ก็คิดอย่างนี้เมื่อวันหนึ่งพญาหงทองก็บินมาเหมือนเดิมตามปกติด้วยอุบายทั้งสองแม่ลูกก็จับพญาหงทองตัวนี้มัดไว้แล้วก็ถอนขนหมด ปรากฏว่าด้วยอานุภาพของบาปหรือของบุญก็ไม่รู้ขนที่ถอนไว้ทั้งหมดนั้นก็กลายเป็นขนนกธรรมดาไม่ได้เป็นทองอีกต่อไป ด, ด้วยขนของความโลภพยาหงทองตัวนั้นก็ถูกขังจนตอมใจตายในที่สุดอันนี้คือเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นด้วยความโลภของเรานะ คือหมายความว่าอยากจะได้อะไรเยอะๆอยากจะได้อนั้นมาอยากอนอยอมเป็นนี้เป็นสินยอมกู้ยอมอะไรต่างๆในที่สุดความสุขของเราก็หมดสภาพตอนแรกๆที่เราไม่มีอะไรแล้วก็อยู่รู้สึกว่ามีความสุขดีแต่ด้วยความไม่รู้จักพอเพียงไม่รู้จักเพียงพอของเราเราอยากจะได้มากๆวันหนึ่งกลัวมันจะไม่มีเลยหาว่าเยอะๆหาว่าเยอะๆแล้วมันก็เลย กลายเป็นขยะกลายเป็นนี่เป็นศิล น, นั่นคือปีกพญาหงทองกลายเป็นปีกนกธรรมดาเราก็ต้องมา <c oughs> นั่งทุกนั่งโศกนั่งตรมกันอยู่อย่างทุกวันนี้ <c oughs> ดังนั้นเราทั้งหลายให้เห็นพิษภัยของความโลภเห็นพิษภัยของความอยากว่ามันสามารถที่จะทำสิ่งที่ชีวิตของเราที่แสนจะสบายเพราะ มีเพียงเล็กน้อยก็อยู่ได้รู้จักพอเพียงไม่เปนหนี้เป็นสินอยู่อย่างสงบและสันโดษแต่ในเมื่อกระแสสังคมมันชวนให้เราต้องโลภคนนั้นก็มีอันนั้นคนนี้ก็ก็มีอันนั้นเราก็ดูแล้วก็อดทนรนไม่ได้ที่จะไม่ไม่มีเหมือนเพื่อนเราก็อยากจะได้มาแข่งขันในสังคมเราชีวิตที่เพียงเพียงพอและพอเพียงก็ไม่มีอีกต่อไปในที่สุดเราก็สร้าง อะไรหลายอย่างขึ้นมาจนกระทั่งเราตกไปสู่สภาพที่อย่างอย่างทุกวันนี้แล้วเราก็สูญเสียอิสรภาพต้องถูกมัดตราสังโดยรูปแบบต่างๆดังนั้นเราทั้งหลายต้องเรามาระวังในสังคมแบบนี้ <c oughs> ในเงื่อนไขแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะหลวมตัวไปแล้วก็ยังมีโอกาสเอาคืนได้ถ้าเรามีการที่จะพยายามจะแก้ไข รู้จักเข็ดรู้จักจำในสิ่งที่เราพลาดไปเราตั้งต้นใหม่ได้เสมอนะและเมื่อไรเราหลุดจากพันฒนาการแห่งเงื่อนไขต่างๆที่เราไปปลูกมัดลัดลึงเอาไว้ก็อย่าหวนกลับไปสู่เงื่อนไขแบบใหม่เข้าไปอีกนะซึ่งในสังคมเราเป็นโดยทั่วไปในสังคมเราไม่มีความสุขเท่าที่ควรอย่างที่เราเห็นนะนั้นการปฏิบัติธรรมการเจริญสติจะช่วยให้เรา ได้หลุดพ้นจากพันธนาการอันนั้นไปทีละเล็กละน้อยถ้าเรามีความพยายามด้วยการเจริญสตินั่งสร้างจังหวะเดินชุกวมแบบนี้ทุกวันทุกวันด้วยใจศรัทธามันก็จะพ้นไปทีละนิดละนิดละนิดเหมือนเราดิ้นออกจากกรงดิ้นไปดิ้นมาวันหนึ่งมันก็ออก้นได้แต่ถ้าเราไม่ได้ดิ้นเลยเนี่ยถูกขังอย่างไรก็อย่างนั้นเราก็ต้องตายอยู่ในกรง เพราะนั้นขณะนี้เรามีวิธีที่จะดิ้นได้แล้วนั่นก็คือมารู้จักวิธีการด้วยการใช้กรรมฐานนี้เป็นเครื่องมือในการเจาะในการแทงในการตัดโครงข่ายของโรงนั้นให้หลุดไปทีละนิดละหน่อยแล้ววันหนึ่งมันก็จะออกมาได้แต่ว่าเราจะมีพยายามมีความพยายามแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเรามีความปรารถนาแค่ไหนในการที่จะออกจากกครง แห่งความคิดและความยึดมั่นถือมั่นใ้ครอบครัวในสังคมที่เรามีอยู่จนกระทั่งเราเห็นทางนะโดยเฉพาะทางจิตทางใจเรามีไว้ให้ออกเสมอเพื่อออกจากความคิดออกจากความยึดมั่นถือมั่นออกจากความปรุงแต่งให้อยู่กับปัจจุบันที่เป็นอิสระแล้วเราก็จะสบายนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คิดว่าเราได้อ ปลุกจิตปลุกใจให้กำลังใจกันเพื่อที่จะให้เรามีการกระทำตัวสาระเขามีการกระทำอย่างไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อถอยทําอย่างเต็มอกเต็มใจทําอย่างจริงจิตจริงใจแล้วก็ทําได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเพราะฉะนั้นการเจริญสติดแบบนี้มันจะมีผลก็ต่อเมื่อเรามีความจริงใจในการทําเท่านั้นเพราะว่าชีวิตของเราได้ผ่าน อะไรหลายๆอย่างมาที่มันเป็นผลของความไม่จริงใจไม่ตั้งใจแล้วก็ติดลมของความทุกข์ไปเรื่อยๆณวันนี้เราจะต้องมาตั้งใจและจริงใจกับการกระทํำของเราการกระทําจากหลายๆความคิดให้เป็นความคิดเดียวการลดจากหลายๆความปรุงแต่งให้เป็นเรื่องใจเดียวเราก็จะค่อยพบทางมากขึ้นนะ อันนั้นก็จึงขออนุธนาในความตั้งใจที่ล้ว